นี้ถนนหนทางก็แพร่ไปยังทุกคนแห่งทั่วหัวระแหงบางเส้นก็ตัดผ่านป่าอันนี้ไม่ว่าในเมืองไทยนะหรือว่าต่างประเทศป่านี่มันก็เป็นที่อาศัยนะของสัตว์นานาชนิดนะแล้วปกติมันก็เดินทางสัญจรกันไปเรื่อยๆแต่พอมีถนนตัดผ่านมันก็ต้องเดินข้ามถนนนะเพื่อไปอีกฝั่งหนึ่ง แล้วก็บ่อยครั้งนะก็โดนรถชนตายอันนี้ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่เช่นช้างเนี่ยที่ประเทศอเมริกานะมันก็มีเหตุการณ์ทำนองนี้บ่อยๆแล้วก็มีป่าแห่งหนึ่งนะมันมีไก่งวงอยู่ฝูงนะึงอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นไก่ที่เป็นสัตว์ท้องถิ่นหรือเปล่า น, นะแต่มันก็อยู่กันกันเยอะทีเดียวนะแล้วก็มี ตัวนึงนะที่คงสังเกตนะว่าสัตว์ที่ข้ามถนนเนี่ยถูกรถชนตายบ่อยๆแล้วก็ที่ตายก็อาจจะเป็นพวกพ้องของมันด้วยจะมีวันหนึ่งนะไก่งวงฝูงนี้เนี่ยก็ต้องข้ามถนนละตัวเนี้ยคงจะเป็นตัวหัวนหน้าเนี่ยเขาทำยังไงนะจะให้พวกพ้องนี่ข้ามถนนปลอดภัยทยงไง ร, รู้ไหม ตัวหน้าเนี่ยก็ไปยืนขวางถนนเลยรถที่ผ่านมานี่ต้องจอดนะถ้าเป็นเมืองไทยไม่รู้ว่าจะจอดหรือเปล่าแต่ถ้าเมืองนอก น, นี่ก็จอดเลยนะเพราะว่ามีไก่งวงขวางถนนไก่งวงขวางทาไมก็เพื่อเปิดทางให้พวกพ้องนี่เดินข้ามถนนโดยปลอดภัยก็มีคนถ่ายภาพเอาไว้นะ ไก่งวงแต่ละตัวแต่ละตัวเดินข้ามถนนอย่างปลอดภัยโดยมีตัวหัวหน้านี่ยืนขวางถนนนะไวะ้รถก็จอดกันเป็นแถวยาวเลยพอตัวสุดท้ายเนี่ยข้ามถนนเสร็จนะไอ้ตัวหัวหน้านี่ก็จึงค่อยเดินตามหลังโอ้นับเป็นหนว่าเป็นหัวหน้าที่น่านับถือมากนะเป็นผู้นำที่เสียสละ รักพวกพ้องแล้วก็พร้อมที่จะเสี่ยงตายเพราะถ้ารถไม่ชนนี่ถ้ารถไม่หยุดนี่ก็ตัวนี้ก็ตายเป็นตัวแรกเลยเหมือนกับตัวหนึ่งที่เคยตายมาแล้วอันนี้เรามีความกล้านะเป็นแบบอย่างของผู้นาที่มีความกล้าแล้วแต่การก็มีความฉลาดด้วยคือรู้ว่าเนี่ยถ้าไปขวางถนนแล้วเนี่ยนะมันก็เท่ากับว่าเป็นการกันไม่ให้ รถนะวิ่งผ่านได้อันนี้เขาอาจจะสังเกตนะจากเหตุการณ์ที่อื่นนะั้นะว่าพอมีคนยืนขวางถนนแล้วเนี่ยรถก็ต้องจุดก็เลยเอามาทำเนี่ยกับพวกพ้องตัวบ้างเขารู้ได้งไงนะน่าสนใจมากเลยทั้งที่เป็นไก่อันนี้ทำให้นึกถึงเหตุการณ์หนึ่งนะคราวนี้ไม่ใช่ไก่นะเป็นหมูนะชื่อรูลูนะ อายุแค่ขวบเดียวนะเจ้าของนี่รักมากก็เลี้ยงในบ้านเลยนะเลี้ยงในบ้านมันก็เลี้ยงหมาเนี่ยเจ้าของอายุเจ็ดสิบกว่าคุณป้านะวันนึงเนี่ยแกเกิดหัวใจวายขึ้นมาล้มลงไปเลยนะแต่ว่ายังพอมีสติแล้วก็ร้องลู ร, ร, รู้เนี่ยเห็นเนี่ยก็รู้ว่าเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้ว เจ้านายนี่ต้องการความช่วยเหลือก็เลยออกไปที่นอกบ้านแต่ว่าประตูบ้านนี่ปิดเนี่ยทงงํางก็ต้องอาศัยช่องที่เขาเอาไว้ให้หมารอดเนี่ยมันมีฝรั่งนี่ก็จะมีประตูที่มีช่องเล็กๆให้หมารอดเข้ารอดออกได้ให้ลู่ลนี่มันก็พยายามออกทางช่องนั้นแล้วนะซึ่งไม่ใช่ช่องของมันแต่ว่ามันก็ทาจนได้ ท, ทั้งตัวมันอ้วนออกไปข้างนอกเนี่ย เพื่ออะไรนะเพื่อประขอยให้คนช่วยเหลือมันรู้นะว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยต้องมีคนถึงมาช่วยเนี่ยเจ้าไหน จ, จึงจะรอดแล้วจะเรียกคนมาช่วยเหลือได้ไงนะนะลู้รู้มันไม่สามารถพูดภาษาคนได้ทีแรกมันก็ไปร้องอยู่ริมถนนนะร้องขอความช่วยเหลือแต่รถนี่ไม่หยุดเลยมันทํายังไงนะมันไปที่กลางถนนเลยนะ มันเดินไปกลางถนนเลยแล้วมันไม่ได้ขวางถนนเปล่าๆนะมันแก้งนอนเอาขาชี้ฟ้าเลยนะเหมือนกับว่าแก้งทำเป็นตายนะเราว่ารถเนี่ยต้องหยุดนะรถหยุดอันนี้สำเร็จขั้นแรกแล้วขั้นที่สองทำงานะจะให้คนเนี่ยลงมาจากรถแล้วก็ไปเดินไปที่บ้านของเจ้าของอก็มีคนลงมาจริงนะ พอคนลงมาจากรถนี่รูรูนี่ก็พลิกตัวเลยนะแล้วก็เดินนําหน้าผู้ชายคนนั้นนะ่ยผู้ชายคนนั้นเนี่ยก็เดินตามลูลูไปไปถึงบ้านของเจ้านายแล้วผู้ชายคนนั้นก็เคาะประตูเรียกว่าเนี่ยหมูของคุณเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยนะมันมันนอนขวางถนนเอาไว้เนี่ยบอกว่าเจ้านายนยังพอมีสตินะก็เลยตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ อดีตนะักที่ไม่ได้ล็อกบ้านเอาไว้ชายคนนั้นก็เลยเปิดประตูบ้านแล้วก็รีบเรียก ร, รถพยาบาลบอกว่าพาเจ้านายไปส่งโรงพยาบาลได้ทันนะเขาบอกหมอบอกว่าเนี่ยถ้ามาช้าสิบห้านาทีคงตายแล้วล่ะวันนี้เป็นวีรกรรมนะของหมาไอ้ของหมูพันธุเวียดนามนะหรือว่าเป็นหมูป่าก็ได้ตอนหลังเขาก็ ให้เด่นตรานะให้กับลูนลูนะว่าเป็นสัตว์ที่ช่วยชีวิตเจ้าของไว้ได้ฉลาดนะรู้ว่าจะหาคนมาช่วยเจ้าของได้อย่างไรนะแล้วก็ใช้วิธีเดียวกันนะคือนอนขวางถนนนะไม่ได้ยืนขวางถนนเหมือนไก่โวงไก่งวงนะั้นนอนเลยแล้วแกงทาเป็นตายไปเรียนรู้มาจากนั้นในวิธีนี้นะคงจะดูจากโทรทัศน์นะ ว่าถ้าแกงนอนตายแล้วเนี่ยรถมันจะหยุดเมื่อเร็วๆนี้ก็มีเหตุการณ์คล้ายๆกันนะคุณปู่อายุ84กกเกิดลื่นนะหรือล้มในห้องน้ำก็คงเป็นโรคหัวใจมำเนินนะว่านอนอยู่ประมาณสิบกว่าชั่วโมงนะก็คงจะพาฟื้นขึ้นมาเนี่ย ก, ก็ปรกกัลุกไม่ได้ แล้วก็รู้ว่าเนี่ยถ้านอนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนี่ตายแนย่ต้องการความช่วยเหลือแต่ว่าโทรศัพท์เนี่ยนะมันอยู่บนเคาน์เตอร์บนโต๊ะซึ่งอยู่ห่างตัวกันไม่เท่าไหร่เพอเงินปูนเนี่ยแกมีแมวนะชื่อพลัฟฟรีนะแกชอบเล่นชอบคุยกับแมวตัวเนี้เลยพอเวลามีโทรศัพท์มาโทรศัพท์เสียงดังนะมีริงโทนดังก็บอกนี่มีเสียงกระดิ่งมานะ ภาษาฝรั่งว่าริ ding, Ring ding. งอะดิงริงอะดิงจนกระทั่งฟับฟีรู้นะว่าคำว่า r ิงอะดิงเนี่ยคือโทรศัพท์และตอนที่ปลูกกันเนี่ยแกต้องการความช่วยเหลือเนี่ยแลแกรู้ว่าโทรศัพท์จะเป็นสิ่งที่จะช่วยชีวิตแกก็ได้แกได้นะและจะเอาโทรศัพท์เนี่ยมาได้ยังไงนะก็มีแต่แมวตัวนี้แหละนะที่จะเป็นที่พึ่งได้ก็เลยเรียกฟับฟีนะฟัฟีด ฟลุฟี่รู้นะว่าเจ้านายต้องการโทรศัพท์ก็เลยเคลียร์โทรศัพท์เนี่ยให้ตกลงมาจากโต๊ะนะตกลงมาที่พื้นแล้วก็เคลียร์โทรศัพท์ให้เจ้านายเนี่ยนะสามารถจะถือไว้ได้เจ้านายก็เลยใช้โทรศัพท์นี้เรียกหนึ่งเกหนึ่งหรือเกนะ้าหนึ่งหนึ่งะก็ปรากฏว่ามีคนมารับพาไปโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัยกระแสมันแสนรู้นะกระแสรู้ได้เนี่ยเพราะว่าการฝึกนะ แลนะพอฝึกแล้วเมันก็ช่วยชีวิตได้แต่คนเรานี่ถ้าไม่มีสัตว์ที่จะพึ่งพาอาศัยได้นี่เราจะมีอะไรนะก็มีใจนะใจนี่ก็เป็นที่พึ่งพาอาศัยได้สามารถช่วยทำให้เราปลอดภัยได้โดยถ้าเวลาเกิดอันตรายเกิดไฟไหม้หรือรถยางแตกนี่ใจที่มีสติเนี่ยจะช่วยชีวิตเราไว้ได้แต่ว่าใจจะมีสติได้นี่มันต้องฝึกนะ ฝึกให้มีสติฝึกให้มีความรู้เนื้อรู้ตัวบ่อยบ่อยการฝึกให้จิตเนี่ยมันรู้รู้ว่ากายกำลังทำอะไรคือรู้กายเคลื่อนไหวเรารู้ความคิดนึกเวลามีความคิดใดๆเกิดขึ้นก็รู้ไม่ปล่อยให้อารมณ์อกุศลเช่นความกลัวความกรธข้องำเนี่ยใจที่ขยันรู้แบบนี้นี่มันก็สามารถจะเป็นที่พึ่งพาอาศัยของเราได้ ช่วยให้รอดพน้นจากอันตรายได้ไม่ใช่ไม่ใช่อันตรายจากภายนอกอย่างเดียวนะอันตรายจากภายในด้วยศาสตร์สายลุ่นี่มันต้องฝึกอย่างศาสตร์สายลู่นี่มันต้องฝึกชั้นใดนะเจตเนี่ยมันก็ต้องฝึกเหมือนกันนะฝึกให้ขยันรู้บ่อยๆขยันรู้บ่อยๆรู้กายรู้ใจนะจนกระทั่งสามารถจะรักษาใจให้ปลอดพน้นจากความกลัวความตื่นตระหนกซึ่งจะเปิดช่องให้ปัญญา เข้ามาทํางานนะจะป่วยก็ป่วยแต่กายนะีแต่ใจไม่ทุกข์และใจที่เป็นสุขก็สามารถจะฉุดกายให้กลับมาดีขึ้นมาได้แต่ถ้าไม่ฝึกใจไว้นะมันจะซ้ําเติมกายให้หนักขึ้นเกิดอันตรายก็ผีผาป้าตัวไปตกอยู่ในอันตรายก็ได้หนักขึ้นงั้นะเราจะไม่มีสัตว์ใจรู้ไว้ช่วยนะแต่ ถ้าเรามีใจที่ฝึกไว้ดีแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยเราได้นะแต่ว่าใจอย่างนี้มันต้องขยันรู้บ่อยๆนะถึงจะเป็นที่พึ่งพาสายของเราได้แท้จริง